เรื่องที่26่สิรำคาญตารำคาญใจบางท่านบางคนอยู่ที่ไหนไม่ค่อยจะมีความสุขใจเต็มเม็เต็มหน่วยเพราะเห็นอะไรอะไรมันเกะ ก, กะรุงรังขาดความเหมาะสมไปเสียทุกอย่างทั้งผู้คนบ้านเรือนและสํานักงานจนกระทั่งรัฐบาลและเจ้าบ้านผ่านเมืองก็ดูแสดงบทบาทไม่เข้าท่าไปเสียทั้งนั้น รำคาญตารำคาญใจเต็มทีถ้าท่านผู้ใดเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็จะต้องสูญเสียความสงบสุขทางจิตใจโดยไม่จำเป็นและเป็นฝ่ายที่กลับขาดทุนอย่างน่าเสียดายท่านคิดว่าการที่ท่านเสียภาษีให้เทศบาลเพิ่มขึ้นหนึ่งบาทเป็นการเสียเงินอย่างมากมายจนถึงเกิดความรำคาญใจใหญ่โต เอาเรื่องนี้ไปตำหนิเทศบาลให้ใครๆฟัง3วัน7วันก็ไม่จบเขียนจดหมายไปด่าว่าเทศบาลครั้งหนึ่งแล้วก็ยังไม่หายรำคาญใจอุตส่าห์เขียนบทความไปวิจารในหนังสือพิมพ์ก็ยังไม่สาใจที่จะโขกสับเทศบาลที่ทำไม่เข้าท่าเพราะทำให้ท่านเสียเงินถึงหนึ่งบาท แต่ถ้าเราไม่ใช่ท่านผู้ขี้รำคาญ น, นั้นมองดูเข้าไปในตัวในใจของผู้นั้นดูเราจึงจะรู้ว่าการที่ผู้นั้นเสียเงินบาทเดียวนั้นมันเรื่องเล็กขี้ประติวเหลือเกินความสูญเสียที่ใหญ่หลวงของท่านผู้นั้นอยู่ที่การสูญเสียความสงบใจนั้นต่างหากคิดค่าเสียหายไม่ถูกเอาเลยทีเดียวแต่ท่านผู้นั้นเผลอไปมองไม่เห็น พฤติการเช่นที่ว่านี้อุปมาเหมือนชาวนานคนหนึ่งถูกคนอื่นขโมยเอาเชือกผูกควายไปรู้สึกเสียดายเชือกเป็นกําลังเลยฆ่าควายเสียเพื่อให้สะสมแก่การที่ตนต้องสูญเสียเชือกเส้นนั้นซึ่งความจริงแล้วการที่แกเองเสียควายนั้นมันน่าเสียดายยิ่งกว่าเสียเชือกที่ถูกขโมยเสอีกเข้า อ, อุปมาณนี้ท่านเอง อาจนึกว่ามันเป็นการกระทำที่โง่โงจนไม่น่าจะเป็นไปได้ถูกแล้วแต่ว่าการที่คนฉลาดไปสูญเสียความสงบสุขทางจิตใจเพราะมัวแต่รำคาญกับเรื่องขี้หมูขี้หมาของคนอื่น <c oughs> ก็เห็นจะไม่ฉลาดกว่าชาวนาเท่าไหร่นะักม่ใช่หรือครับความหงุดหงิดรำคาญใจดังกล่าวแล้วความจริงก็พอมีทางจะปลดเปลื้องไปได้เหมือนกัน โดยสาวกลับมาแก้ที่เหตุของความรำคาญถือหลักเดียวกับที่ผมพูดไว้ในบทก่อนๆว่าถ้าเราเดินอยู่ในป่าที่มีเสือและไม่อยากจะให้ถูกเสือกัดเราก็มีวิธีทําอยู่สองวิธีคือวิธีที่หนึ่งเราจับเสือในป่าขังเสียให้หมดแล้วเราเป็นเจ้าของป่าเสียเองวิธีที่สองเราขังตัวเราเสียเอง ปล่อยให้เสือมันเป็นเจ้าป่าคือเราเข้าไปอยู่ในถ้ำในอุโมงหรือขึ้นไปกัดห้างอยู่บนต้นไม้เสือลีกยทางให้เสือมันไปในสองวิธีนี้แล้วแต่ใครจะเลือกเอาวิธีไหนคือขังเสือหรือขังเราก็ได้ผลทั้งนั้นแต่ว่าถ้าขังเราเองมันใช้ทุนใช้เวลาน้อยทานกินทันใช้ทำได้ทุกคน วิธีแก้ความรําคาญตารําคาญใจที่ผมจะเสนอนี้ก็เป็นวิธีจัดแจงกับตัวเองครับหันกลับเข้ามาดูที่ตัวเราเองครับความรําคาญอย่างที่ว่านั้นเกิดจากเหตุสำคัญ2ประการคือ 1. เราคิดจะเป็นพระเจ้าสร้างโลกเสียเองหรือ2ไม่ยอมรับโลกที่พระเจ้าสร้างคนที่คิดจะเป็นพระเจ้าสร้างโลกเสียเอง คือคนที่ทำตัวเป็นเจ้ากี่เจ้าการไปเสียทุกอย่างกลายเป็นผู้แบกโลกคือคนที่อยู่ในโลกนี้มีสามจำพวกจำพวกที่หนึ่งแบกโลกพวกที่สองพิงโลกพวกที่สามเหนือโลกชะตากรรมของคนสพวกนี้ต่างกันนึกวาดภาพถึงคนกับกระสอบข้าวก็แล้วกันคนหนึ่ง นั่งอยู่บนกระสอบข้าวคนหนึ่งนั่งพิงกระสอบข้าวอีกคนหนึ่งนั่งแบกกระสอบข้าวถามว่าใครจะหนักจะเบากว่ากันทุกท่านตอบได้เองแล้วคนที่แย่มากกว่าเพื่อนก็คือคนพวกแบกโลกทั้งหนักทั้งเหนื่อยพลาดท่าจะถูกโลกทับตายเอาจริงๆคนจำพวกนี้แหละ ที่ผมบอกว่าเป็นผู้คิดที่จะเป็นพระเจ้าสร้างโลกเสียเองคือทำตัวเป็นเจ้ากี้เจ้าการจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างใจเราอยากจะได้แต่นายดีๆอยากจะได้แต่ลูกน้องเรียบร้อยอยากได้แต่เมียงามๆอยากได้แต่ลูกที่เก่งๆอยากได้ตำรวจอย่างนี้อยากได้ทหารอย่างนั้นอยากได้รัฐบาลอย่างนอนคนกวาดขยะคนแจวเรือจ้าง กับแท็กซี่สัปรเรอเผาผียายชีพระเนนมีแบบไว้ในใจทั้งนั้นแล้วก็จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างใจตัวทั้งสิ้นมันก็แย่ถ้าจะแก้กันให้ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยก็ต้องไปหาเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ติดโสอ้วนวัดบรมนิวาให้ท่านเล่านิทานให้ฟังแต่เดี๋ยวนี้ท่านมรณาภาพแล้ว ผมจึงขอเล่านิทานของท่านสู่กันฟังเรื่องนั้นว่านิทานเรื่องเปรตจัดหัวจัดตีนณเส้นทางสายเปลี่ยวซึ่งเป็นทางข้ามดงกว้างมีศาลาอยู่หลังหนึ่งเป็นที่พักคนเดินทางและมีผู้คนเข้าพักไม่เว้นแต่ละคืนเมื่อพักผ่อนหลับนอนแล้วจึงเดินทางต่อไป ที่ศาลาหลังนี้เองมีเปรตอยู่ต้นหนึ่งคอยดูแลรักษาแกพยายามที่จะจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะแกคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคืนแกจะเดินตรวจพวกคนเดินทางที่นอนเรียงกันเป็นแถวว่านอนเป็นระเบียบหรือเปล่าแกเดินไปเล็งดูทางปลายเท้าของคนเหล่านั้น ก็พบว่าปลายเท้าของคนเหล่านั้นสั้นยาวไม่เท่ากันหย่อนลงมาก็มีร่นขึ้นไปก็มีลักลั่นกันเป็นหลายสัาแกรู้สึกรำคาญตาจึงช่วยดึงขาพวกนั้นลงมาให้เสมอกันเสียทีเสร็จแล้วก็วนไปเลงดูทางหัวนอนของพวกเขาก็ได้พบว่าหัวของพวกนั้นสูงต่ำไม่เป็นระเบียบ แกก็เลยดึงหัวของเขาให้มันได้ระดับเดียวกันเสียแต่ครั้นวนมาทางเท้าอีกก็พบว่าทางปลายเท้าที่แกจัดไว้ดีแล้วเกิดเสียระเบียบสูงบ้างต่ำบ้างรวมความว่าขณะที่พวกคนเดินทางหลับนอนอย่างเป็นสุน้นเปรตผู้นี้ไม่ได้พักผ่อนหลับนอนเลยเพราอมัวแต่จัดหัวจัดตีนให้คนไม่รู้จักเสร็จ แม้ว่าคนเดินทางผ่านไปร้อยพวกพันพวกถึงบ้านสุขเมืองสบายกันแล้วเปรผู้นี้ยังเฝ้าสาราอยู่นั่นเองเพราะมัวแต่จัดหัวจัดตีนให้คนยังไม่เสร็จนี่แหละครับถ้าเจ้าเปรตตัวนั้นแกรับรู้ความจริงเสียอย่างเดียวว่าตัวคนที่มาพักในศาราของแกนั้นเขาเกิดมาจากที่อื่นต่างพ่อต่างแม่กัน ตัวสั้นตัวยาวไม่เท่ากันรู้สึกอย่างนี้ก็หมดเรื่องไม่ต้องไปดึงขาดึงหัวของพวกนั้นให้มันเหนื่อยตัวและรำคาญตาเปล่าๆเอาแต่พอสถานประมาณก็ดีแล้วโลกที่เราอยู่นี้ก็เหมือนศาลาที่พักคนเดินทางเหมือนกันคนที่เราพบปะรู้เห็นกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือคนเดินทางทั้งนั้น เาเดินทางมาจากชาติก่อนแล้วก็จะเดินไปสู่ชาติหน้ามีบุญมีกรรมต่างๆกันไปการที่เราจะไปเกณฑ์ให้คนทั้งหลายทำอะไรเหมือนกับที่เราคิดหมดเป็นเรื่องสุดวิสัยเราเองก็จะตกอยู่ในสภาพเปรตของสมเด็จท่านตามที่เล่ามาแล้วนึกอย่างนี้ก็หายราคาญไปได้มากเหมือนกัน คือเลิกคิดจะเป็นพระเจ้าสร้างโลกเสียคนขี้ราคาญอีกพวกหนึ่งคือพวกไม่ยอมรับโลกที่พระเจ้าสร้างผมหมายถึงว่าเรื่องของคนอื่นสิ่งอื่นมันก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติกี่มากน้อยแต่ตัวเราเองไปมองสิ่งเหล่านั้นในแง่ไม่ดีเองมันก็เลยมีแต่อะไรที่น่าติแล้วก็เกิดความราคาญใจ เรื่องนี้สําคัญอยู่ที่การมองครับผมได้เคยพูดไว้แล้วว่าในตัวของคนเรานี้มีอวัยวะประหลาดอยู่อย่างหนึ่งถ้าไม่ลืมแล้วใช้ไม่ได้อวัยวะที่ว่านี้คือตาท่านเคยคิดดูหรือเปล่าวะกิริยาที่คนเราเปิดหนังตาขึ้นดูสิ่งต่างๆทำไมเราจึงเรียกว่าลืมตาที่เวลาอ้าปากหรือเงี้ยวหูฟัง ทำไมเราจึงไม่เรียกว่าลืมปากลืมหูที่ไม่เรียกอย่างนั้นก็เพราะการใช้ปากใช้หูนั้นเราไม่จำเป็นต้องลืมคือทั้งๆ้ ท, งที่ใจนึกถึงมันอยู่ก็ยังใช้มันได้แต่ตาไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราไม่ลืมมันเสียก็ใช้มันไม่ได้คำว่าลืมนี่โปรดเข้าใจว่าไม่ได้หมายถึงกิริยาเลิกหนังตาขึ้น หากแต่หมายถึงใจเราลืมตาเราต่างหากท่านอาจทดลองดูในขณะนี้ก็ได้คือทั้งๆ้ ท, งที่ท่านกำลังเปิดหนังตาอ่านหนังสืออยู่นี่แหละท่านลองเอาใจไปจดจ่อนึกถึงลูกในตาของท่านเองดูคืออย่าลืมตานึกถึงลูกในตาตัวเองท่านจะไม่รู้เลยว่าข้อความในหนังสือนี้ว่าไร การมองกับการลืมดูเหมือนจะเป็นของคู่กันเมื่อเรามองด้วยตาเราก็ต้องลืมตาเมื่อเรามองด้วยใจเราก็มักจะลืมตัวการลืมตัวนี่แหละที่เป็นเหตุให้คิดว่าคนอื่นทำอะไรไม่เข้าท่าดูอย่างคนดูมวยก็แล้วกันเวลามวยกําลังพลวันกันนั้นคนดูก็เอาแต่นึกตําหนีว่า คนนั้นคนนี้ทำไม่เข้าท่าน่าจะโชคตรงนั้นน่าจะโชคตรงนี้ทำทีว่าตัวเองเก่งกว่านักมวยสักร้อยเท่าเห็นจะได้แต่ความจริงเปล่าลองให้ขึ้นโชคจริงๆสิหสินาทีเดียวจะรอดตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ไปติเขานั้นก็เพราะลืมตัวคือลืมไปว่าตัวเองชกสู้เขาไม่ได้อีกประการหนึ่ง คนเราจะเห็นที่หน้าตาหนีของคนอื่นมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับแว่นใจของคนนั้นด้วยคืออย่างนี้ครับกระนานนึกถึงการมองด้วยสายตาเสียก่อนโลกนี้ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราก็เห็นอะไรตามเป็นจริงสิ่งใดขาวก็เห็นเป็นขาวสิ่งใดแดงก็เห็นเป็นแดงสิ่งใดเหลืองก็เห็นเป็นเหลือง คือเห็นตามที่สิ่งนั้นเป็นจริงทีนี้ถ้าสมมติว่าเราสวมแว่นสีต่างๆเข้าเช่นสวมแว่นสีเขียวเราก็จะเห็นอะไรเขียวปือไปหมดถ้าเราสวมแว่นแดงโลกทั้งโลกมันก็จะแดงไปหมดอันที่จริงโลกก็ไม่ได้แดงได้เขียวแว่นต่างหากที่หลอกเราให้เห็นผิดเพี้ยนไปจากความจริง การมองคนอื่นด้วยใจก็เหมือนกันถ้ามองด้วยใจบริสุทธิ์เที่ยงธรรมเราก็จะเห็นคนอื่นตามเป็นจริงแต่ถ้าเราเอาแว่นบังใจเราเข้าสิ่งที่เห็นก็จะคลาดเคลื่อนไปจากความจริงแว่นบังใจที่สำคัญมีอยู่สองอย่างคือแว่นรักกับแว่นชังพูดตรงๆคือความรักกับความชังถ้าเรามองคนอื่นด้วยความรัก คือเอาความรักบังใจแล้วมองเราก็จะเห็นอะไรๆดูมันน่ารักไปหมดอย่างที่ผมเขียนไว้ในเรื่องอะไรจาไม่ได้เสียแล้วดูเหมือนจะเป็นเรื่องพุทธวิธีกรองใจคนว่าลองสังเกตดูคนที่เรารักก็แล้วกันความจริงคนที่เรารักแล้วนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะมีอะไรดีวิเศษกว่าชาวบ้านเขานักหนา แกก็มีทั้งดีทั้งเสียเหมือนชาวบ้านร้านถิ่นนั่นเองแต่ทำไมเราจึงเห็นอะไรอะไรมันน่ารักไปหมดแม้จะเดินก็น่าดูแม้จะวิ่งก็น่าดูร้องไห้ก็น่าสงสารหัวเราะก็น่ารักชั้นที่สุดแม่จะโกรธกระเฟียดกระฟาดหรือจะหยิกจะขวัวเอาบ้างก็น่าให้อภัยเขาว่าถ้ารักมากๆแล้ว แม้แต่หมาแมวบ้านนั้นก็น่ารักไปหมดแต่ลองดูคนที่เราเกลียดบ้างดูอะไรอะไรมันก็ไม่เข้าแก๊บทั้งนั้นเดินก็เนิบหน้าดูเป็นโอเอไม่ทันกินพ่อเขาวิ่งเราก็เห็นว่าเขาไม่มีกิริยามารยาทลุกลี้ลุกลนร้องไห้ก็รู้สึกสมน้ำหน้าพ่อเขาหัวเราะ ก, ก็ว่าเขาเถรินดูเอาก็แล้วกันครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเราเอาแว่นรักแว่นชังบังใจแล้วนั่นเองคนที่เห็นอะไรรู้สึกรำคาญตารำคาญใจมากๆนั้นก็มีอยู่ไม่น้อยที่เนื่องมาจากสวมแว่นชงังและเห็นอะไรน่าชาังไปหมดและพฤติการอย่างนี้แหละที่ผมบอกว่าไม่ยอมรับรู้โลกที่พระเจ้าสร้างวิธีทำให้คนอื่นน่ารักมากขึ้นที่ง่ายที่สุดก็คือ ถอดแว่นชังออกเสียคือเลิกมองคนอื่นในแง่ร้ายเท่านั้น